อย่าไปนึกว่าการภาวนายากนะไปนนึกว่าการภาวนาคือการทําอะไรผิดธรรมชาติธรรมดาการเรียนธรรมะก็คือเรียนให้เห็นว่าธรรมดานี้ร่างกายเป็นยังไงธรรมดาของจิตใจเป็นยังไงดูความเป็นธรรมดาของเขาธรรมดาของเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาเป็นอนัตตาอย่างร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จิตใจ เป็นนำมาทำเป็นธาตุเหมือนกันเป็นธาตุรู้ก็เป็นาธาตุนึง ท, ท, ทำงานของคนเองไม่มีตัวเราในกายในใจเบื้องต้นก็ภาวนาไปจนเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเราในกายในใจคนไหนเห็นแล้วมันไม่มีตัวเรานะจะยอมรับความจริงตรงนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันภาวนาต่อไปอีกให้ปัญญาแก่รอบขึ้นมาก็รู้ความจริง กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะไม่ใช่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเหมือนที่เคยเห็นเมื่อเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเห็นอย่างนี้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเลยเห็นอย่างนี้นะใจก็ปล่อยวางไม่ยึดถือในใกายในใจถ้าสมมติเรียกว่าพระอราหันต์ทไมต้องสมมติก็จริงๆคาว่าพระอราหันต์มันก็สมมตินั่นแหละ เราภาวนาไปนะภาวนาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปอย่าเอาแต่คิดเอาเองคิดเอาเองมันก็นี่กายเรานี่ใจเรานะเอาเข้าจริงมันไม่มีตัวเราเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าตอนเด็กๆหลวงพ่อเล่นกับเพื่อนนะวิ่งไล่จับใครถูกจับตัวคนนั้นแพ้นะต้องเป็นฝ่ายไลนะ่เขาเรียกอะไรนะลืมไปแล้วที่ทำมืออย่างเนี้ย เออน้อยออกอะไรเนี่ย <c oughs> เออนะลืมไปนานแนะสุดท้ายต้องเป่ายิงจุกเนือยสองคนนะอ้าวเราไปคนไล่ก่อนเราก็ไล่วิ่งไล่จับมาจับปุ๊บนะมันยอมแนละ้วมันเป็นฝ่ายไล่ที น, นี้หลวงพ่อวิ่งไล่จนเหนื่อยแล้วเราไม่วิ่งแนละ้วเราก็เดินเร็วๆหน่อยหลบๆหน่อยมันเห็นเราช้ากว่าคนอื่นน้ําตะครุบเลยควา้าข้อมือเราปุ๊บจับตัวเองได้แนละ้วบอกเฮ้ยนั่นเองจับมือต่างหากอ่นะ ให้มันชักงงเลยมันโดดรวบเอวเราเลยบอกนี่เองจับเอวต่างหากไม่ได้จับตัวนะมันจับเข้าตรงไหนแมันหาตัวไม่เจอจับตรงนี้จับมือจับแขนใช่ไหมจับไหล่จับเอวจับท้องจับขาไม่เห็นมีจับตัวเลยมันเซอร์ไปเลยนะบอกมันก็ตัดสินใจเด็ดขาชี้หน้าเราไอ้ขี้โกงหน่อยเราพูดเป็นปรมเหมือนว่าเราขี้โกง จริงๆตัวมันไม่มีหรอกสิ่งที่เรียกว่าตัวไม่มีจริงหรอกนะแค่แค่รูปประธรรมนามาทำขึ้นมาเท่านั้นเองเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงเหล่านี้แหละเรียนแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้ความพ้นทุกนะวันใดที่ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจกายกับใจนี่แหละตัวทุกขเมื่อไม่หยิบฉวยเอากายเอาใจขึ้นมาเป็นภาระแบกหามแล้วเนี่ยก็เรียกว่าพ้นทุกนะพระอหันยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าท่านพ้นทุก ตอนดับขันแล้วนี่ก็เรียกว่าดับทุกขันมันดับทุ ก, ม, ทกมันดับตัวขันนั่นแหละตัวทุกขนี่เรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะกับการนั่งหลับหูหลับตาเลยการทําสมาธิการทําอะไรอย่างนั้นดีมีประโยชน์จิตใจได้พักผ่อนแต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดหรอกนั่งสมาธิอย่างเดียวไปไม่รอดหรอกต้องเจริญปัญญาอย่างใจมันนิ่งเกินไปนะทําสมาธิใจสงบเกินไปครูบาอาจารย์ไล่ให้มาพิจารณากาย เป็นกายกระตุ้นไม่ให้จิตติดความสงบความเฉยกระตุ้นพี่างกายเป็นวิปัสนาหรือยังยังยังไม่เป็นแต่แค่เป็นเทคนิคเป็นศิลปะเป็นอูบายกระตุ้นไม่ให้จิตติดเฉยนะพอจิตไม่ติดเฉยเนี่ยยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวตลอดเลยเห็นรูปมันทางานเห็นกายทำงานเห็นจิตทางานมันไม่มีเราทำงานเห็นกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนไม่ใช่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอน เห็นจิตมันสุกมันทุกข์จิตมันเฉยเฉยไม่ใช่เราสุขเราทุกข์เราเฉยเฉยจะเห็นอย่างนี้เห็นจิตมันโลภมันโกรธมันหลงจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่มีเราหรอกนั้นถ้าใจเราตั้งมั่นใจเราตื่นขึ้นมาจริงๆเราจะเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานไม่ใช่เราทํางานดูไปเรื่อยๆเห็นที่แรกยังยอมรับไม่ได้หรอกหวั่นไหวตกอกตกใจว่าตัวเราหายไปฝึกมากเข้ามากเข้าใจเป็นกลางเห็นเลยตัวเราไม่มี จยำรับได้ตัวเราไม่มีนั่นก็เป็นพระโสดาบันนะพวกเราบางทีก็ชอบคิดเอาเองเรื่องภาวนาชอบนึกเอาเองไม่เรียนให้ดีก่อนอย่างคิดว่าต้องทำสมาธิก่อนถึงจะเดินมิปัสสนาได้เมื่อเช้าก็บอกสถิติแล้วนะขนาดสมัยพุทธกาลนัคนที่ทำสมาธิก่อนแล้วก็ได้ของเล่นได้อะไรขึ้นมานะเป็นคนส่วนน้อยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือพวกที่ไม่ได้ฌานคนธรรมดานี่แหละ หรือบางคนก็คิดว่าเบื้องต้นต้องดูกายก่อนนะเบื้องปลายก็ไปดูจิตนั้ น, นก็เป็นประสบการณ์เฉพาะตัวนะในความเป็นจริงนะผู้ปฏิบัติรู้กายก็ได้รู้เวทนารู้จิตได้ทั้งนั้นรู้ธรรมก็ไดนะ้ท่านถึงจะเปรียบเทียบสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเหมือนประตูเมืองเมืองนี้เหมือนนิพพานเทียบนะบอกมีประตูสี่ทิศอยเข้าประตูไหนก็เข้าเมืองได้งั้นบางท่านนะ ถึงที่สุดด้วยการรู้กายเลยรู้กายไปเรื่อยจนมันนาทีสุดท้ายเลยคือพระนนทนะบางท่านรู้เวทนาอย่างพระสารีบุตรนะบางท่านดูจิตอย่างพระอนุรุตนะบางท่านรู้ด้วยธรรมอย่างพระพุทธเจ้านะกายเวทนาจิตธรรมมีทั้งนั้นมีทุกรูปแบบเพนะฉะนั้นจุดที่ว่าใจเราตั้งมั่นขึ้นมาจริงไหมตั้งมั่นขึ้นมากับทรงฌานไม่เหมือนกันสิทธตที่ทรงฌานอาจจะไม่ตั้งมั่นจริงก็ได้ หรืตั้งมั่นแล้วไม่เกิดตัญญาก็ได้ส่วนจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้กายรู้ใจเนี่ยอาจจะไม่ได้ฌานก็ได้นะคนละอันระหว่างฌานกับจิต ท, ที่เป็นสมาธิหลวงปู่เทศถึงสอนแยกกันะในนี้มีลูกศิษย์หลวงปู่เทส์ร่วมสมัยกับหลวงพ่อหลายคนอาจารย์สุรพลนะมีพี่วัยนี่ลูกศิษย์หลวงปู่เทส์มาด้วยกันหลวงปู่เทส์สอนไรื่อยเรื่อเรื่องฌานกับสมาธิฌนะานเนี่ยจิตสงบเฉยเฉยนะพักผ่อน สมาธินี่จิตเดินปัญญาได้จิตทรงตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นทั้นสอนสองอย่างท่านสอนจิตกับใจจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งพอมันคิดนึกปรุงแต่งเรารู้ทันนะมันก็เข้ามาเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะค่อยฝึกค่อฝึกไปตรวจการบ้านเล็กน้อยต่อไปนี้จะตวจการบ้านน้อยๆแล้วเราแก่แล้วสวนมาให้เยอะแล้วไปฟังซีเดียวมีทุกคําตอบเลยเชิญพวกอยู่วัด ครับน้ำมัส ก, กัดหลวงพ่อครับ อ, อที่หลวงพ่อบอกว่ายัางผมยังติดนิ่งๆอยู่ข้างในครับทีนี้ได้มีโอกาสคุยกับแม่ชีนุ๊นะครับแล้วก็ปกติมันใช่ลมหายใจเป็นแบกกล่าวใช่ไหมครับก็เหมือนเป็นตัวรู้ตัวหนึ่งทีนี้แม่ชีให้ดูตัวถอดออกมาแล้วก็ดูดูตัวที่มันไหลเข้ามามก็เหมือนมีตัวรู้ตัวอีกตัวหนึ่งมาดูตัวรู้เอตัวรู้ก็เป็นลมหายใจก็เป็นผู้ถูกรูแ้แทนเป็นของถูกรู้ครับก็ ก็ลงขึ้นครับโล่ลง ค, ลรครับผมค่อยๆค ย, คยคลายแล้วก็ทีนี้อมันรู้สึกเหมือนกับว่าพอพอพอมันเริ่มเริ่มคลายก็เหมือนกับว่าไอตัวตัวสัมผัสผัสสะทั้งหลายนะครับที่มีความคิดเลยเนี่ยมันเวียนอยู่รอบๆอืเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ที่มันเหมือนมีตัวผุดเข้ามาต ร, ตรงกลางตรงกลางเนี่ยนะครับแล้วก็มันเหมือนกับ น้ำที่ค่อยๆผุดขึ้นมาแล้วหายไปเลยเ อ, อจําสภาวะไม่ได้ว่าเป็นตกใจหรืออะไรสักอย่างเนี่น อ, อก็คือบางครั้งก็ขึ้นมาเยอะบางครั้งก็ขึ้นบางครั้งก็แทบไม่ขึ้นมาเลยอครับอารมณ์นมันแรงบ้างอารมณ์มันเบาบ้างนะมันผุดขึ้นมาอย่างนั้นแหละครู บ, รบาอาจารย์เคยสอนนะอย่างก็าท่างอาจารย์มหาบัวท่านบอกทำแท้ผุดขึ้นกลางอกอะไรที่เรียกว่าทำแท้อกุศลธรรมเป็นทำแท้กิเลสก็โผล่ขึ้นมากลางอก กุศลเราทก็เป็นทำแท้นะมาผลนิพพานก็เป็นทำแท้ก็ฝุดขึ้นอย่างนั้นแหละครับแล้วพอดีตอนพักอยู่มีเหตุการณ์หนึ่งในห้องเจอตุกแกเข้ามาในห้องเนี่ยครับก็อร่อยไหมก็จริงๆผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยตกใจอะไรอยู่แล้วครับก็แต่รู้สึกว่ามันเหมือนความกลัวมันซ่อนอยู่แบบเหมือนมีกระดาษเป็นเล่มๆทับอยู่แล้วมีความกลัว นั่นแหละตรงกระดาษที่ทับอยู่นั่นแหละคือการเพ่งเราเพ่งจิตไ้มถึงกลัวก็กลัวไม่เต็มร้อยซ่อนไว้กรรมฐานอย่างนี้ที่ถูกทับไปท่านถึงเรียกว่ากรรมฐานหินทับยาเห็นนึกออกไหมมันทับเอาไว้แต่มันซ่อนอยู่ไม่หายนะงั้นเรารู้ทันสิ่งที่อยู่ใต้หินนั่นแหละรู้ทันลงไป คือคือก็แค่เห็นเห็นสิ่งที่ถูกทับนั่นใช่ไหมครับผมเห็นขึ้นมานิดนึงแต่ก่อนไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่ก่อนเราทับลูกเดียวเราเห็นแต่หินที่ทับยากับนี้เราเริ่มมีตามีเอ็กซเลต์ทะลุลงไปแล้วดีเรานาไปอย่าไปกดให้นิ่งกดให้นิ่งไม่มีปัญญาไม่เห็นใช่ไหมครับกดให้นิ่งไม่เห็นอะไรหรอกสิ่งที่อยู่ใต้จิตสํานึกอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นหรอกถ้าไม่กดแล้วมันทํางานขึ้นมาได้ครับดีได้แล้วตอนตอนตอนนี้นี่มีอะไรที่ต้องเอากลับไปทําเป็นการบ้าน ก็ต้องไปเลิกกดให้ได้นะยังไม่เลิกครับยังกดอยู่ตอนเนี้ยคดูออกไหมรู้สึกอต้องเลิกซะถ้าเลิกตัวนี้ได้ก็บุญโขเลยครับปัญญาจะเกิดอย่างรวดเร็วเลยคนที่ทําสมาธิมานานนะพอเลิกทําเนี่จะเกิดปัญญารวดเร็วเลยจิตนี้จะโลดโผนมากแต่ต้องระวังนิดนึงต้องถือศีลไว้ก่อนครับคนที่เคยทําสมาธินานแล้วพอเลิกเพ่งนะชั่วร้ายยิ่งกว่าคนธรรมดาเลยอารมณ์ร้าย มันเคยนิ่งเคยสบายครถวนี้ตุ๊กแกไม่ได้อยู่ในรูอย่างเดียวแล้วออกมาเพ่นพ่านนะกระโดดกาคอคนนู้นคนนี้เลยไปนะ <c oughs> ดูหนะ้าตุ๊กแกเนะห้ใจเราเนี่ยแหละที่ที่ที่ผมใช้วิธีการเดินที่หลวงพ่อให้ให้เดินจงกรมอะครับแล้วก็แต่ก่อนเดินนี่ก็จะเป็นลักษณะของลูแค่เก้าใช่ไหมครับ <c oughs> มีคือ <c oughs> ก่อนนี้รู้สึกว่าการเดินมันเดินไปทั้งตัวอย่างเงี้นี่คือใจเราเป็นคนดูเหมือนที่แม่ชีบอกอะ ใจมันถอนออกมาเป็นคนดูนะเห็นร่างกายมันเดินไปครับเหมือนว่าเราขยับไปทั้งตัวเราเคลื่อนเคลืนไหวทั้งตัวเคลื่อนไหวแล้วเห็นไปเรื่อยๆครับแต่อย่าไปเพ่งทั้งตัวนะรู้ทั้งตัวเนี่ยเพ่งทั้งตัวก็ได้เพ่งมันทั้งตัวเลยเพ่งทั้งตัวกระดูกกระดิกรู้หมดเลยแต่ว่าใจจะทื่อๆอยู่นิดนึงเพ่งทั้งตัวก็ใช้ไม่ได้อ้าจูนก็เกินจริงค่ะตอนนี้ตอนนี้เกินจริงค่ะเออกําลังมันมัน แต่ตอนนี้เบาลงเมื่อกี้นั้มันเกินจริงมันมันรักษาสภาวะไว้ค่ะจิตไม่ถึงฐานด้วยนะค่ะดูออกไหมันรู้สึกไหมมันเข้ามาไม่ได้ฮะมันรู้สึกว่าข้างในมันมัวข้างนอกมันใสแล้วดูยังไงข้างในเนี่ยก็มันก็จะมีชั้นอยู่อคือถึงแม้มันใสข้างนอกมามากจนใกล้ตัวขนาดไหนแต่ข้างในนี่มันก็ยังมีชั้นอยู่มันไม่ถึงที่นติดกําแพงไหมเราไปสร้างกําแพงไว้อันหนึ่งเราก็ค่อยรูป รู้ที่กายไปก่อนก็ได้ค่ะอย่าจงใจทําลายมันค่ะรู้กายก่อนก็ได้เห็นกายยืนเดินนั่งนอนเนี้ยพอใจตั้งมั่นเข้ามาเข้ามาข้างในได้สว่างออกไปจากข้างในเข้ามานิดเดียวแล้วมันก็สร้างใหม่มันไม่มีแรงของมันเรื่อยใช่ไหมไม่มีแรงที่จะตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นภาวนาต้องสว่างออกไปจากข้างในนะไม่ใช่สว่างไปอยู่ข้างนอกข้างในมืดๆข้างในมันมัวค่ะสุดท้ายนะไม่มีข้างนอกข้างในก็จุดมา พิจารณาตัวเองก็คือรู้หลักการภาวนาแล้วเหลือแต่ทําให้ต่อเนื่องไปดูโลภะด้วยค่ะต่อเนื่องอย่างเดียวไม่พอต้องไปดูโลภะก็ภาวนาค่ะว่าจะมีวินัยพรรษานี้มีวินัยในการทํารูปแบบช่ไหมไมมันน้อยมากวะทำไมเอาพรรษาเดียวฮะ <laughs> คืออย่างน้อยตั้งใจว่าพรรษานี้นี่จุนจะมีขันติในการในความสงสัยคือพรรษานี้ทั้งพรรษาจะไม่ถามหลวงพ่อเลยค่ะไม่ฉลาดเลย <laughs> ตั้งใจอย่างนั้นถอนเสือ้อ ถอนเลยแล้วคะอถอนเลยก็ได้ค่ะหลวงพ่ออยาเป็นก็ถามสิไม่ใช่ไม่ขอขาดตายไม่ถามค่ะคือเก็บไว้ดูเองค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อเห็นใกล้ตายแล้วจะบอกขอการค่ะหลวงพ่อตอนนี้มันก็เห็นกายใจมันก็ไหลไปไหลมานะคะสภาวะมีประคองรู้ใช่ค่ะมีประคองตัวรู้ไอ้ตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อค่ะสามคืนเนี่ยมันไม่นอนนะคะมันมันไม่รู้จะทํำยังไง ให้มันนอนไปบ้างมันไม่นอนเลยค่ะเห็นแต่จิตันยอายามากินให้หลับไปเสียตื่นอย่างนั้นเลยคให้มันพักบ้างค่ะจิตมันไม่ยอมมันจิตเป็นเปิรกบานบางคนภาวนาผ่านช่วงนี้ไปนะเปิรกบานอยู่นานหลายวันเลยบางคนเปิรกบานตั้งเดือนหนึ่งกินยาเลยหรอคะพักบ้างมันไม่นอนเลยค่ะมันไม่นานนมัน alert เกินไปครั ทำสมาธิไ้ก็ได้พุโทโธพุโทโธไป <Okay. S 2> นะระวังไม่ให้ปีติครอบงำจิต <Okay. S 2> นะทำสมาธิจิตต้องการพักแล้วตอนนี้มีคนขับรถสง่งใช่ไหมขับรถรไปกรุงเทพเออ๋ยวาขับเองนะวันนี้ขับเองไม่ได้อตอนนี้สบายสบายค่ะแต่คิดว่าจิตมันคงไม่ตั้งมัน่นมันก็เลยไปจิตไ ป, ไปกกาะอยู่ข้างนอกแล้วไปนิ่งนิ่งอยู่นิดนึงดูออกไหม ข้างในมันนิ่งใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีอันนึง่งเป็ น, นจ้ า, บาอบ่ข้างนอกแลนะ้มันไปจ้าแล้วก็ไเปเพลินหลงพ่อทําหน้าให้ดูมันจะเหมือนไหมนี่ข้างไหนนิ่งข้างไหนนี่งข้านอกสว่างนะเป็นเพราะว่าจิตไม่ตั้งมัน่นไม่มีสมาธิหรือเปล่าคะหลวงพอ่อจิตไม่ตั้งมัน่นจิตมีโลภะในการปฏิบัติจิตมีความท้อแท้ท้อถอยในการปฏิบัติมีหลายตัวนะอยากทําด้วยท้อด้วยนะ มีหลายตัวปนๆกันอยู่ไปดูเอาเองเอาได้ยินแล้วตื่นเต้นนะว่าตืนเต้นแล้วกดไว้นิดนึงค่ะอถูกควรจะแก้ไขเพิ่มเติมอะไรบ้างคะหลวงพ่อไมแก้หน้าไปหางานบ้านทําค่ะอยู่บ้านได้ทํางานบ้างไหมไม่ค่อยค่ะลองดูลองทําดูค่ะเคลื่อนไหวไปทํางานไปเราเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานค่ะควรค่ะแล้วควรจะมาส่งการบ้านอีกครั้งเมื่อไหร่คะหลวงพ่อมีโอกาส้ามาสินะ แต่มาแล้วจะได้ส่งหรือเปล่าก็ยังไม่แน่หรือวาจนปัญญาจริงๆอะไรเรื่องเนี้ย่ปวดท้องจ้ะปวดท้องดูไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งท้องอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งไปดูอย่างนี้นะแล้วความปวดจะลดลงเวลาเราปวดท้องอะ่ะนี่ผู้หญิงนะบางคนมีรอบเดือนมีอะไรปวดท้องมากเลยพอเจริญสติเป็นนะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะบางคนหายเลย ความปวดนี่มันถูกใจของเราขยายให้มากกว่าความเป็นจริงปวดจริงๆมีแต่ไม่มากแต่ปวดที่เราสร้างเติมขึ้นมานี่มีเยอะเลยหลาย10เซเพราะฉะนั้นบางคนภาวนาแต่ก่อนจะรู้ตัวเป็นนะอย่างเวลามีรอบเดือนอะไรที่มัต้องกินยาภาวนาเป็นแล้วไม่ต้องกินยาเลยปวดนิดๆหน่อยๆ น, นี่สมมติเราปวดท้องหรือเราไม่สบายหรืออะไรเนี่ยคอยรู้สึกเรนะื่อยๆ เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งใจเราเป็นคนดูนะมันจะหายไปเยอะหลายส0เซไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรนะยกเว้นโรคจิต <c oughs> อ่ะต่อไปเบอร์หกบสกลับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะไม่ได้มากราบหลวงพ่อหลายเดือ น, มนเมื่อวานทราบว่าได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อมันก็คิดสารพัดว่าจะ ถามหลวงพ่ อ, อยังไงจะสื่อหลวงพ่ อ, อยังไงที่จะได้คําตอบที่จะแก้ไขตัวเองนะแล้ว d o รู้สึกว่าสรุปว่าตัวเองในช่วงที่ผ่านมามีแต่อกุศลมากมายดีสิมีตัญหาอยากอยากสารพัดจนว่ามันเกิดโแสวดุนแรงแล้วก็หลังเลสงสัยมากแล้วก็วิตกกงังวลเก่งนี่ เห็นกิเลสตั้งเยอะเลยแล้วมันมีตัวยืนที่ดูมานานแล้วก็ไม่ทราบว่าเพราะที่เรียนหลวงพ่อเมื่อกี้มันมทำให้เกิดอาการจิตที่ต่อต้านไม่ยอมให้ทานะตามรูปแบบแนะไปดูจิตมันมีโทสะนะค่ะภานาแล้วมันมีโทสะแทรกเข้ามาแล้วคอยรู้ทันเอาค่ะรูปแบบจำเป็นนะจำนะเป็นแต่แว่าอย่าไปคิดว่ารูปแบบทำแล้วจะลำบาก ทำลำบากใจมัไม่เอาแล้ว <c oughs> ไงล่ะเพราะตอนแทบจะ ว, ว่าที่ผ่านมานี้ทาตามรูปแบบแทบไม่ได้เลยมันจะต่อต้านตลอดเวลาเหมือนว่ามันมันขัดขืนนะคะเราดูใจที่ต่อต้านนะเท <c oughs> ้าก็เดินไปใจดูใจที่ต่อต้านไป <c oughs> เดินเล่นๆไปนะอันนี้ไม่ใช่เพ่งใช่ไหมคะไม่ได้เพ่งหรอก <c oughs> นะถ้าเพ่งไว้ไม่เห็นกิเลสเยอะอย่างนั้นหรอก เมื่อเพ่งแล้วรู้รู้สึกว่าเราเป็นคนดีนี่กิเลสเยอะแยะเลยรู้สึกไหมนี่เราเห็นกิเลสแล้วเนี่ยใจเราไม่เป็นกลางมันหามอยู่ตรงนี้ใจมันมีโทสะแทรกไม่ชอบเลยอยากจะดีๆอยากจะสุขๆขึ้นมานะไม่ชอบกิเลสถ้ากิเลสเกิดแล้วก็ให้รู้ว่ากิเลสเกิดกิเลสเกิดแล้วไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบนะมันไม่ยอมเดินตรงกลม จิตใจไม่ยอมเดินเราก็รู้ว่ามันไม่เดินแต่ขาเราก็เดินไปได้เดินเล่นๆไม่ได้เดินหวังว่าจะดีจะสุขจะสงบแลไรเดินเล่นๆแกล้งมันบ้างคือจริงๆแล้วมันมันอยากทําตามรูปแบบมากและติดที่จะทํารักที่จะทําแต่ว่าพอเริ่มจะลงมือปั๊บมันก็ เ, เมันกจะเดิมเราเพ่งไว้มากนเนี่ยพอมันหลุดออกมาเราขยาดมันเรากลัวมันน ะ, นะไม่กล้ากลัวมันจะกลับไปติดเพ่งอีกอะไรเงี้ย <นะ S 1> ใจมันจะไม่เอานะ ตอนนี้ทำได้นะถึงช่วงนี้แล้วทําสมาธิได้แล้วเพราะเรารู้แล้วว่าเพ่งเป็นยังไงคนที่ทําสมาธิไม่ได้คือพวกที่ไม่รู้ว่าเพ่งเป็นยังไงไปลงมือทําสมาธิแล้วก็เพ่งลูกเดียวพวกนี้ใช้ไม่ได้ตอนนี้เรารู้ว่าการเพ่งคืออะไรแล้วงั้นเราก็รู้ไปเห็นร่างกายมันเดินไปเห็นร่างกายมันหายใจไปดูไปเล่นๆไปอย่าไปคาดหวังว่าจะสุขจะสงบจะดีดูเล่ น, ลนๆน่ะถือว่าเราทําเล่นกันแล้วกันเนาะ ย ม, ยมขอถามมีข้อหนึ่งเมื่อเราไปปฏิบัติที่ไหนแล้วเรารู้สึกว่าเรามีแต่อกุศลเกิดแล้วความลังเลสงสัยเกิดเราหน่าจะตัดสินตรงนั้นได้ไหมคะว่าตรงนั้นที่ไม่ใช่แล้วสําหรับเราเราดูตรงนี้นะว่ากิเลสเกิดแล้วเรารู้ทันนะตรงนั้นดีอยู่ที่เรารู้ทันต่างหากละ่ะ <Okay. S 1> ไม่ใช่ว่ามีกิเลสแล้วไม่ดีนะพร ะ, พระพุทธเจ้าท่านแยกดีแยกเลวอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ ท่านบอกว่าจิตคนนั้นคนมันมีสี่พวกพวกหนึ่งจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลนี่ดีเลิศพวกหนึ่งเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลใช้ไม่ได้พวกหนึ่งเป็นอกุศลรู้ว่ามีอกุศลอย่างคุณไปพานาแล้วอกุศลเกิดคุณรู้เนี่ยท่านบอกว่าดีนะแต่ถ้าอกุศลเกิดแล้วไม่รู้ว่าอกุศลเกิดแบบคนในโลกเนี่ยอกุศลทั้งวันเละแล้วคิดว่าไม่มีอกุศลพวกนี้ใช้ไม่ได้เลยนะไม่ดี เวลาที่หลวงพ่อภาวนาดีที่สุดนะสมัยนู้นเป็นคารวานเกือบ30ปีไปแล้วภาวนาเนี่ยในบรรยากาศที่แย่มากๆเลยทำงานที่เครียดมากๆเลยเจ้านายก็เครียดใครๆก็เครียดไปหมดเลยนะในเวลานั้นนะ่ะจิตมีแต่อกุศลเกิดบ่อยๆเราสติตามรู้ได้บ่อยๆช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่กระปรี้กระเป๋าในการปฏิบัติที่สุดเลย แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็เลี่ยงซะแต่ถ้ายังเห็นกิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้นะเราก็ภาว น, นาอยู่ตรงนั้นแหละหลวงพ่อจะเน้นให้โยมดูตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะดูโทสะเบอร์สองเบอร์สองน้ำมั น, มกนส ก, การครับหลวงพ่อครับจิตขนาดที่พูดกับจิตก่อนจะจับไม่ไม่เหมือนกันดวอกไหมครับออมีตัวปลอมขึ้นมาน ะ, นะเอเอหรือเ อ, อเอครับว่าไปก็ ขอโอกาสหลงพ่อส่งกันบ้านครับไม่ได้ส่งกันบ้านมานานมากๆเลยแล้วก็กลับไปบ้านก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวั น, นครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทํางานแล้วก็ส่วนใหญ่ทํางานกับคนนะฮะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตด้วยแล้วก็จะช่วยให้เขาไ ด, ไ ด, ได้ได้กลับมาดูจิตดูใจตัวเองนะฮะระหว่างที่ทําไปแล้วก็ได้ดูจิตดูใจตัวเองไปด้วยเลยระหว่างทํานะครับ <Okay. S 2> ก็ยังเห็นตัวปอมอยู่ สิ่งที่เป็นปัญหาหลักของเอตอนนี้นะคือคจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่มีกําลังรู้สึกไหมจิตไม่มีแรงรแรงไม่พอนะนั้นเราต้องทําในรูปแบบนะเดินจงกรมอะไรเงี้ยทำสม่ําเสมอเดินกลางคืนไม่ไหวก็เดินตั้งแต่ตื่นนอนเลยตื่นให้เร็วขึ้นหน่อยแล้วมาเดินนะทําให้ได้สักประมาครึ่งชั่วโมงนะมีวินัยในตัวเองเดินไปแล้วเห็นกายมันเดินเดินไปแล้วเห็นจิตแอบไปคิดอย่างนี้บ่อยๆ ตอนนี้อะไรๆก็รู้หมดแล้วนะสิ่งที่ขาดเนี่ยขาดแรงไม่มีแรงแรงไม่พอไปทำในรูปแบบเพร่เบอร์ร้อยสามกานมัสการพระอาจารย์ครับกับผมพูดดังนิดเถอะหลงพ่อแก่แล้วว่ะหูตึงกับผมฝึกปฏิบัติ ตามรู้ตามดูกายดูใจมาช่วงระยะหนึ่งหลังจากที่ส่งกันบ้านพระอาจารย์ไปครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมีนาครับก็ตามรู้ดูกายดูใจว่าในตัวของตัวเองนี่บางทีจิตเกิดอากุศลวันหนึ่งต้องเป็นสิบครั้งโอ้เกิดน้อยนะบางที <คน S 1> ก็จะให้ได้นะนาทีหนึ่งสักห้าหกครั้งบางทีก็เยอะกว่านั้นครับเออต้อให้เยอะเยอะไว้แล้วก็รู้รู้ว่ามันเป็นอกุศล ก็คือว่ารู้ว่าตัวเรานี่ร้ายกาจมากกว่าที่คิดเยอะเลยครับใช่ในั่นภาวนาเป็นนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ดูกายดูใจไปตอนที่จะไปทำงานนะครับพอดูกายลงมาที่ท้องตัวเองครับเห็นตับตไตไซพุงอะครับ ม, มันมองผ่านไปตรงตับออไต<ส>จิตมันมีสมาธิแล้วมันก็ เห็นความเน่าเปื่อยของร่างกายครับออืแล้วมันก็มองผ่านเข้าไปถึงกระดูกมันก็แตกเออมันก็แตกก็มันมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง้วมันก็ดับไปครับอีกหน่อยถ้ามันเป็นนะมันแตกไปแล้วร่างกายสลายไปหมดแล้วมันจะมาสว่างอยู่ที่จิตนะเราก็มารู้ที่จิตต่อแล้วเมื่อช่วงเมื่อวันอาทิตย์ไปจเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่วัดคลองตะลองมาครับก็นั่ง ปฏิบัติอยู่สองวันปฏิบัติคืนแรกนั่งภาวนาแล้วก็อธิษฐานก็นั่งภาวนาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปพอนอนหลับตอนกล่งคืนนะครับก็ฝันนิมิตเกิดขึ้นเอาใหม่ใกล้ๆปากนิดนะนึ่งนิมิตเกิดขึ้นนะครับ เ, ออเรื่องเกี่ยวกับการดื่มสุรา อ, อแล้วก็เราดื่มสุราแล้วก็ก็ไปทําร้ายคนรอบข้างทําร้ายพ่อทํำร้ายเ อ, อใครออจนแบบ ให้เราเก็บความฝันนี้ไปพิจารณาในการนั่งวิปัสสนาญาตอีกรอบหนึ่งครับอืก็โน้มโน้มจิตเข้าไปพิจารณาว่ามันเป็นโทษอย่างไรเออนะดีใช่ได้ครับนะแล้วเนี่ยเวลาทุกวันทํานะก็ทําความสงบเข้ามาครับของคุณมันต้องเดินอีกแนวหนึ่งนะ ค, งคุณทําความสงบมาแล้วก็พิจารณากายไปเรื่อยค้นคว้าอยู่ในกายเรื่อยๆเห็นจนกระทั่งใจมันไม่เอากายอะ่ะ กายบางทีมันสลายไปแล้วมาที่ใจมาดูที่ใจต่อครับนี่ถ้าหมดเวลาที่จะทําความสงบพิจารณากายแล้วหมดเวลาแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยยืนเดินนั่งนอนนะคอยรู้ทันกิเลสที่โผล่ขึ้นมาได้่อเร่อย<ต>เราไม่เอาความรู้สึกในสมาธิให้ติดออกมานะความนิ่งนิ่งซึมซึมอะไรในสมาธิต้องชิงไปเลยให้รู้ตัวให้เต็มที่แต่ตอนที่ไปนั่งวิปัสสนาที่วัดคลองเตาลองมันจะมีสองฝากฝั่งครับซ้ายขวาอื ทางซ้ายนี่จะมีเสียงรถไฟผมก็พิจารณาว่าผมได้ยินเสียงทางนี้ทางซ้ายมีอะไรบ้างมีนกร้องมีอะไรแล้วก็ทางขวานี้ก็จะได้ยินเสียงป่าเสียงสัตว์ที่เขาพำน้องครับก็ไม่เอาพิจารณาไม่เอาอย่างนั้นนะไม่เอาใช่ไหมันออกนอกไปอย่าให้เกินไกาของเราออกไปครับเวลาพิจารณาอะไรอย่าให้เกินร่างกายเนี้ยออกไปนะใกล้ไปาไกลไปครับไปพิจารณาทําไมนกอย่าให้เกินร่างกายออกไปนะครับเออ เก้าสิบสองแล้วมีโอกาสมาส่งการบ้านอีกนะของคุณมันต้องใกล้ครูบาอาจารย์นิดนึงภาวน า, าแนวเนี้ยเก้าสิบสองค่ะนมัสการคาระหลวงพ่อหนูได้มาส่งการบ้านครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะอืมค่ะแล้วหลวงพ่อก็ให้การบ้านให้ไปฝึกในระบบมาบ้างหรือ็เพิ่งจะ ไปฝึกมาในระบบมาได้ไม่กี่วันนี้เองอะค่ะอแต่มันก็ตามมือจิตให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป อ, อค่ะก็เห็นการปล่อยวางอะไรเข้ามาก็รู้สึกปล่อยวางปล่อยวางค่ะมันวางของมันเองใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>ถ้ามันวา ง, องเองใช้ได้ะนะเริ่มมีแรงขึ้นหน่อยแล้วเนี่ยนั่งพักไปอย่างนี้แหละนั่งพักไปแล้วให้ใจมันพักไปเฉยๆหลับไม่หลับไม่สําคัญ ค่ะหลวงพ่อแล้วหนูตื่นบ้างหรือยังคะตื่นส<า>ิภาวนาใช้ได้นะค่ะ ข, ขอบคุณมากค่ะไปทํำอีกร้อยเจ็ดสิบหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับกับท่านอาจารย์ครับมีโมหะไหมง่วงไหมมีครับเยอะเลยครับสัปดาห์นี้เยอะมากครับหือทําไมนะว่าสัปดาห์นี้โมหะเยอะครับเออแล้วไง อ, งอีกอ่ะครั้งที่แล้วส่งกันบ้านเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วท่านอาจารย์บอกว่าจิตมันมีกําลังแล้วให้รู้ลงปัจจุบันไปได้เลย ก็พอจะรู้ได้บ้างฮะแต่ส่วนใหญ่มันจะเผอกับประคองฮะแล้วก็พอรู้แล้วเนี่ยมันก็จะรีไวซ์กลับมาว่าที่รู้มื่อกี้มันรู้อะไรไม่จําเป็นต้องรีไวซ์นะมันทําของมันเองครับถ้ามันทําเองใช้ได้นะมันทําของมันเองมันก็แสดงไตรลักษณ์ให้เราดูมันไม่ไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองตอยทําในรูปแบบป่ะไม่ไม่ค่อยกล้าทำอาจารย์กลัวติดไม่ต้องกลัวแล้วนะไปเดินจงกรมได้แล้วครับถึงเวลาต้องทำแล้ว แลแรงไม่พอแล้วจุดตออนของผมคืออะไรกันครับอาจารย์ความต่อเ น, นื่องขอบคุณครับนะ 1. เจ็ดหนึ่งเอ๊ะสองหนึ่งสองหนึ่งอยู่โน้นข้างหลังแม่ชีนะัแม่ชีช่วยยกมือไว้ต่อยแรงมันไม่พอนะอเราต้องพักบ้างาทำในรูปแบบสม่ำเสมอ มันติดเพราะมันไม่รู้ว่าเพ่งเป็นยังไงตอนนี้มันรู้แล้วถ้ามันรู้ว่าเพ่งเป็นไงนะเราทําในรูปแบบไม่ใช่ทําแบบเดิมนะอย่างเรานั่งสมาธิก็ไม่ได้นั่งให้จิตนิ่งนั่งสมาธิก็แค่นั่งแล้วเห็นร่างกายนี่หายใจไปนั่งแล้วก็เห็นจิตแอบไปคิดอะไรเงี้ยเดินจงกรมก็เห็นร่างกายเดินไปเห็นจิตแอบไปคิดรู้กายรู้ใจไปไม่ได้ฝึกน้อมให้นิ่งให้ซึมนะอ้าวแม่ชีว่าไปกลบนมัสการ พ่อค่ะดิฉันฝึกขัดรู้กายรู้ใจใช้ได้หรื อ, อยังคะจะเน้นอะไรพิเศษชี้แนะด้วยค่ะใ จ, ใจเราขนาดนี้เป็นธรรมดาไหมไม่ธรรมดาค่ะถูกต้องมันเป็นยังไงตื่นเต้นค่ะกดเอาไว้ดูออกไหมค่ะมันนิ่งกว่าความเป็นจริงดูออกไหมค่ะเราอย่าไปบังคับมันน ะ, ะหน้าที่เราก็แค่ตามรู้มันไปเรื่อย ใจฟุ้งซ่านดูออกไหมเวลาใจมันไหลไปคิดโน้นคิดนี้นแม่ชีคอยไปดูนะของแม่ชีมันฟุ้งเก่งใช่ค่ะใช่ไม่หลอกหลอกแล้วเวลาที่แบบมันแรงมากๆก็ดูไม่ทันค่ะดูไม่ดูไม่ทันไม่ต้องกลุ่มใจนะดูไม่ทันเราก็รู้ไปว่าโอ้ดูไม่ทันและมาพุโทโธไว้บ้างก็ได้นะ มาทำในรูปแบบมาทำความสงบบ้าง mm hmm. เวลาเรามาทำความสงบเนี่ยอารมณ์มันจะช้าลงมันจะมาเนิบๆมันไม่ได้มาอุตตลดถ้าเราไม่มีความสงบไม่เลยนะอารมณ์มันจะผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยแล้วดูไม่ทันนะมันฟุ้งไปหน่อยหนึ่งพุโทโธไว้บ้างก็ได้นะถ้าไม่ชอบพุโทโธเอาอย่างอื่นก็ได้แต่แต่อย่าไปน้อมให้ใจซึมพวกเราชอบทาสมถะชนิดไม่ดี ชอบไปทําสมรถะชนิดทําให้ใจซึมๆเราคิดว่าซึมคือสงบอย่างนั้นใช้ไม่ได้เราพยายามมีสตินะอย่างเราหายใจไปเนี้ยคอยรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันหายใจเราก็รู้สึกตัวเรื่อยๆ อ, อย่างนี้ก็ได้นะจะได้แรงมากกว่านี้หน่อยแรงน้อยไป ใ, ใจมันฟุ้งเยอะขอบพระคุณค่ะเบอร์เจ็ดสิบสาอย่างดีนะแม่ชียังเห็นว่าประคองไว้ถ้าไม่เห็นตรงนี้ภาวนายาก กับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะก็ลูกมาส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะแต่ว่าเคยฟังซีดีมาก็น่าจะเกือบสองปีนะคะแต่ก็ยังปฏิบัติเห <He S 2> <ม>็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจบ้างไหมสองสปีนี้มีอะไรได้อะไรบ้างรู้สึกว่าก็ก็ก็คือเห็นกิเลสตัวเองตัวเดิมๆคะ่ะซ้มๆแล้วก็เหมือนกับไม่รู้พยายามทําตัวเป็นคนดีหรือเปล่า คือจะพยายามไม่โกรธคือกุนกิดน้อยลงอะคะ่ะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยจะคิดอคติกับคนอื่นเราเราไม่ได้เป็นน้อมใจเปลี่ยนแปลงมันนะแต่เราฝึกสติไปแล้วต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเวลาใจหลงไปคิดรู้ทันใจหลงไปคิดแล้วรู้ทันมันก็จะโกรธไม่มากมันโกรธแรงได้เพราะใจมันหลงไปคิดนะคิดถึงคนอื่นในทางไม่ดีมันก็ไปโกรธเท่าขึ้นมา ใจไหลไปคิดเรารู้ทันใช่ไมไม่ได้คิดน่ความกรธมันก็ไม่เกิดขึ้นมานแต่บางที่ที่ทำงานนะคะมันต้องค่อนข้างคิดเยอะที่นี่ไม่เป็น<ด>ไรนั่นเรื่องงานนะคือแล้วก็คือหนูอะค่ะปฏิบัติในรูปแบบถุกเชา้าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยปฏิบัติไม่ค่อยดีคือก็จะนั่งหลับถุกเชา้า1วันทำได้ดีสัก อ่ะสาิบวันทําได้ดีแค่หนึ่งวันอย่างเงี้ยค่ะสามสี่วันหรือสาบวัน30มเนาะนานไปหน่อยทีนี้ทีนี้คือวันไหนที่ถ้าปฏิบัติได้ดีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าวันนั้นสามารถตามจิตในระหว่างวันได้มันก็เลยทําให้การดูจิตระหว่างวันทําไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าสมาธิไม่ค่อยดีเราเราแทรกตอนไหนก็ได้อย่างหลวงพ่อแต่ก่อนนะกลางวันอ่ะทานข้าวเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปนั่งนะวันก็นั่งบางวันง่วงเต็มปดาก็ไปหาธรรมะอ่านอ่านพระไตรปิฎกอะไรเงี้ย แต่และ ว, วันเราเลือกเวลาเราไม่จําเป็นต้องภาวนาวันละครั้งเนี่ยช่มีเวลาสมวนนั่งรถไปทํางานเนี่ยเราถ้าไม่ได้ขับเองนะเราก็ทําสมา ธ, ธิไปเลยทําได้มีเวลาเล็กๆน้อยๆห้าหนาทีสิบนาทีก็ทําไปได้เก็บเล็กๆน้อยๆน้อยวันหนึ่งได้เยอะนะอยากให้หลวงพ่อช่วยดูนิดหนึ่งว่าที่ปฏิบัติที่ฝึกอยู่ดีน ะ, นะใจเริ่มตั้งมั่นแะ้วใจเริ่มมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นล้ว สองปีที่ผ่านมา น, นี่เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะรูเนื้อรูตัวได้เยอะขึ้นแลดูออกไหมใจเราสว่างกว่าแต่ก่อนดีแล้วช่วยหลวงพ่อช่วยแนะนำคุณแม่อีกนิดหนึ่งได้ไหมคะเหรอคุณแม่อยู่ไหนอะเนี่ยค่ะคุณแม่ถูกบังคับม้ามเปล่าถามก่อนเอาไม้ไ้ให้แม่ไปกราบนรมาจการเจ้าค่ะหลวงพ่อถามเลยสิ สองปีนี้เห็นว่าลูกเราเปลี่ยนบ้างไหมเปลี่ยนเจ้าค่ะดีขึ้นหรือร้ายลงอะดีขึ้นแต่ก็<อ>ยังมีร้ายอยู่บ้างโอโ้ถูกต้องเลยถ้าบอกว่าลูกเราดีอย่างเดียวเนี่ ย, สยแสดงว่าแม่อคติใช่แล้วยมภาวนาพุโทโธอยู่ตามลมหายใจเจ้าค่ะแล้วแต่ก็บางทีก็ถ้าคิดมากๆก็จะพุโทโธพุโทโธ เ, เ, เร็วเลยอย่างนั้น เราพุทโธไปหายใจไปนะแล้วพอจิตสงบเรารู้ว่าจิตสงบบางวันจิตฟุ้งซ่านไม่ยอมสงบเราก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านบางทีเราอยู่ในชีวิตประจําวันเนี้เราก็คอยดูจิตไปด้วยนะคะ <c oughs> เช่นเราเห็นลูกเราวันนี้น่ารักเนี่ยใจมันยินดีพอใจให้มารู้ว่ายินดีพอใจ <c oughs> วันนี้ลูกดื้อหน้าตีรู้สึกโมโหแ ล, ล้วรู้ทันว่าโมโห <c oughs> <c oughs> หัดดูใจตัวเองบ่อยๆในชีวิตประจําวันนะ่ <c oughs> กรรมาฐานเดิมก็ทําไปเรื่อยๆเจ้าค่ะ อ่ะต่อไปเบอร์19ร ก, การาบนมัมศกาลหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วหนูมาส่งกันบ้านหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อเมตตาว่าสติเกิดแล้วแล้วก็เมตตาให้กำลังใจว่าเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะแต่ก่อนฟุ้งอย่างแรงเออบอกให้ไปดูแล้วไม่ดื้อดูแลดีเห็นไหมหนูก็กลับไปดูอย่างเดิมค่ะแต่ก็ไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่แต่ตอนตอนออระยะนี้หนู เห็นความวนเวียนสงสัยแล้วก็อยากถามอยู่3มเรื่องเลยคะ่ะจะขอกราบเรียนถามหลวงพ่อเลคะเรื่องที่1คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีฉันทะในการภาวนาแล้วก็มีความสุขแล้วก็ไม่ได้ขี้เกียจในการภาวนาเนี่ยสติเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะเสื่อมไปใช่ไหมคะไม่ใช่สติเขาเป็นอนัตตานะทั้งๆที่ภาพเพี่ยนเต็มที่เหมือนกันทุกวันเนี่ยบางวันสติก็เกิดบางวันก็ไม่ยอมเกิด ถ้ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราบังคับได้ของคุณรู้สึกไหมบางวันสติเขาไม่มาเป็นเรื่องปกติเอาข้อสองข้อสองเออหนูฟังที่หลวงพ่อเทศที่สาลาลุงชินแผ่นล่าสุดนะคะที่หลวงพ่อเทศถึงอาวุธชาติตะศิ์นะคะที่ว่า อ, นะอาวุธชาติตะศิลป<อ>์นะคะหลว ง, งพ่อไม่ได้หมายความตามนั้นจริงๆใช่ไหมคะว่าให้ถาม <laughs> ไม่ได้ตามนั้นหรอกหลวงพ่อเพียงแต่บอกว่าอย่าเอาแต่ถามนะเอาเวลาไปภาวนาดีกว่า พวกถามมากเลยคือพวกคิดมากพวกไม่ภาวนาท้างั้นถามได้ไม่จํากัดใช่ไหมคะไม่จํากัดจะได้ถามต่อเพราะพราหนูถามไปแล้วสาครั้งเลยค่ะเหลืออีกสี่ถ้าได้อีกแค่สี่หนูไม่ไม่รอดไปถึงไหนแน่เลยค่ะไม่ไม่จํากัดหรอกแต่ถามเท่าที่จําเป็นหลวงพ่อคะแล้วถ้าอย่างเวลาที่ถามหลวงพ่อแล้วก็ทำให้หลวงพ่อเหนื่อยเนี่ยเราจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกเราไม่ได้เจตนาทําให้หลวงพ่อเหนื่อยเราอยากได้ธรรมะ นะแล้้วก็ขอที่3แต่จ ะ, ะ, ะบาปมากเลยนะถ้าหลวงพ่อบอกให้แล้วไม่ไปปฏิบัติอ่ะเถามเล่นอย่างเดียวเอามันเนี้ยบาปแน่นอนเลยนูปฏิบัติ ด, ด้วยค่ะ <c oughs> แล้วข้อที่สมเออหนูกลับหนูกลับเลียนถามหลวงพ่ อ, อด้วยความกลัวนะคะว่าหนูย้ยังอยู่ในร่องในรอยอยู่หรือเปล่านะคะช่วงนี้ใจมันอ่อนแรงไปนิดนึงน ะ, ะมันนิ่งเกินไปประคองให้นิ่งมากไปปล่อยให้มันเคลื่อนไหวกว่านี้กดมันแรงไป รู้สึกไหมมันซึมไปนิดนึงค่ะนะเบอร์หกห้าอ๋อหกห้ 5. นี่มาจากหาดใหญ่นมัสการค่ะก็ส่งการบ้านครั้งล่าสุดก็สี่เดือนก่อนน่ะนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าสมมติว่าดูจิตไม่เห็นก็ให้ไปรู้กายก็ไปรู้นะคะถ้าดูอะไรไม่เห็นก็กลับไปรู้กายดีสิบางครั้งยืนยืนคุยอยู่กับเพื่อนสติมันเกิดขึ้นมารู้กายมันก็สว่างโพ้งขึ้นมาใช่ ค่ะแล้วก็คือตอนนี้มีปัญหาก็คือว่าบางทีนั่งนังอยู่สติมันก็ไปรู้ว่าร่างกายมันกำลังหายใจอยู่เออนั่นแหละแต่ว่าสงสัยว่าหนูเพ่งรูปหรือเปล่าอะค่ะหลวงพ่อไม่เพ่งหรอกไม่เพ่งนะคะวิธีดูนะว่าเพ่งหรือเปล่าเนี่ยดูที่ใจถ้าใจหนักหนั ก, นกแน่นๆขึ้นมาก็เพง่งถ้าใจโล่งโปร่งเบารู้ตื่นเบิกบานแล้ไม่ได้เพง่งค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนหนูขับรถอยู่แล้วก็ เหมือนกับมีรถเลี้ยวมาอีกทีกะว่าชนแน่แล้วหนูก็ตกใจหนูก็เห็นความตกใจ<อ>มันก็ขาดลงเลย<อ>แล้วจิต <รถ S 2> มันก็ขาดเลยเหรอไม่ไม่ขาดมันมันหายไปอะไรเงี้ยค่ะ<อ>มันหายแล้วก็จิตมันก็ถอดมาเห็นร่างกายเราขับรถอยู่<อ>แล้วมันย้อนไปดูใจอีกทีมันนิ่งสงบมากเลยค่ะ<อ>ปกติถ้าเกิดเหตุการณ์ละทึกขวัญเราจะแบบมีใจหายใช่ไหมคะนั่นแหละเราภาวนาจนสติมันอัตโนมัติแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะจิตตั้งมั่นเลย ถ้าหนูตายตอนนั้นปลอดไภัยไหมคะปลอดภัยเนี่ยเรียนอกับหลวงพ่อนะแล้วเราวัดได้เลยเวลาอุบิเหตุลดความลดายเยอะมากเลยลูกศิษย์วัดหลวงพ่อเนี่ยก็ที่ทําอยู่ก็ยังถูกอยู่ใช่ไหมคะ่ะดีนะแต่เดิมไม่มีศรัทธาตอนนี้มีศรัทธาแต่เดิมไม่มีความเพียรเดี๋ยวนี้มีความเพียรเมื่อก่อนไม่มีสติเดี๋ยวนี้สติเกิด เมื่อก่อนฟูงสร้านเนี่ยนิจัยตั้งมั่นดูออกไหมดูออกค่ะเมื่อก่อนนะไม่เคยรู้เรื่องกายเรื่องใจไม่รู้เรื่องศาสนาเลยตอนนี้รู้กายรู้ใจแล้วรู้แล้วใช่ไหมว่าศาสนามีประโยชน์แค่ไหนค่ะก็ยกความดีให้เบียร์ค่ะคุณผ<ด>ู้ชักนําโอ้ดีน ะ, ะลดความทั้งจีลดเฉียวทั้งจีแล้วเกิดสติดีอ่างเบอร์สิบแปดอยู่ทางนี้ทางนี้ในมัสการหลวงพ่อค่ะ มีปัญหาว่ามีอยู่สองครั้งนะคะที่เคยเห็นตัวเองเป็นของแปลกประหลาดคะ่ะครั้งแรกสุดเนี่ยตอนเช้าเลยค่ะนั่ง<ม>ในห้องน้ําแล้วเห็นตัวเองเป็นเอเลียนอมันคอยาวๆมันน่าเกลียดค่ะ อ, อแต่ครั้งแรกนี่ไม่เป็นไรนะคะเพราะยังรู้สึกว่ามันตลกตลกอยู่ออพอครั้งที่สองเนี่ยเห็นตอนเช้าอีกเหมือนกันค่ะกําลังแปรงฟันอยู่แล้วก็เห็นหน้ามันมีช่องเป็นปากเป็นจมูกตาปัญหาคือว่ามันรับไม่ได้ค่ะหลวงพ่อมันดูแบบ น่าเกลียนแล้วก็รู้สึกว่ากลัวที่จะเห็นอีกค่ะให้รู้ทันลงไปที่จิตเราเลยนะเราเริ่มเห็นความจริงแล้วความจริงก็คือมันไม่ใช่ของสวยของงามอะไรหรอกร่างกายนี้ความจริงนะั้นมันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หรอกเป็นวัตถุอันหนึ่งเท่านั้นเอง น, ะนี่ยเราเริ่มเห็นความจริงแล้วนะต่อไปเวลาเราเห็นความจริงแล้วจิตเราไม่เป็นกลางให้รู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางของคุณภาวนาดีนะอย่าเลิกซะละ ให้ไปรู้ทันจิตจิตกลัวขึ้นมารู้จิตกังวลว่าจะไปเห็นอีกก็รู้เห็นบ่อยๆแล้วก็ชินไปเองเหมือนอย่างภาวนาแล้วผีหลอกเงี้ยนะถามหลวงพ่อว่าทําไงจะหายกลัวเขาโอ้ยมันหลอกบ่อยๆก็ชินไปเองแหละอย่างนี้ยมันเริ่มเห็นรูปแล้วอันนี้มันหลอกตัวเองค่ะไม่ไม่หลอกหรอกมันที่ผ่านมาเนี่ยเราหลอกตัวเองนะว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆเราสวยเรางามนี่จมูกนี่ปาก ดูเข้าจริงสิเป็นตัวอะไรก็เหมือนถุงเหมือนถุงอันหนึ่งนะมีรูทะลุทะลุอยู่เ<ช>ยอะแยะเลยเครสมัยพุทธ ก, กาลนะเวลาพระอรหันต์ท่านคุยกันนท่า น, นก็พูดถึงตัวท่านเองบ้างพูดถึงคนอื่นบ้างยังมีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาจีบพระอราหันต์หลวงพ่อจําไม่ได้แล้วว่าท่านชื่ออะไรมาจีบท่านท่านก็บอกว่าน้องหญิงเราไม่มีราคาหรอกเพราะเราเห็นเธอเนี่ยนะเหมือนถุงหนังใบหนึ่ง มีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9้ารูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโศโครอกไหลออกมาเป็นนิดนั่นเห็นของจริงอย่างนี้นะนั้นที่คุณภาวนาคุณเริ่มเห็นแล้วเห็นไหมมันมีรูรั่วอยู่นั่นแหละไปภาวนาอีกหลวงพ่อคะข่าวก่อนเมื่อ3เดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ตั้งมั่นตอนนี้ดีขึ้นไหมดี ข, มขึ้นเยอะเลยต้องปฏิบัติในรูปแบบเพิ่มขึ้นไหมคะในรูปแบบทําไปสม่ําเสมอนะทําสม่ําเสมอไม่ได้ภาวนาเพื่อให้จิตดีจิตสุขเิือสงบ ภาวนาเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นไปเท่านั้นนะก็ <ขอ S 1> จิตมันจะมีแรงมันจะเริ่มเห็นความจริงของกายของใจเบอร์ร้อยสี่น้มัสการเนะค่ะเมื่อเมื่อสักสองสัปดาห์มานี้ยนั่งไปแล้วก็มองดูข้างในเหมือนเป็นโพรงเสร็จแล้วก็เห็นเป็นสิ่งหนึ่ง ก, ก็ลักษณะก็เหมือนรูปเป็น เส้นสว่างแล้วก็มีแขนมีขาเงี้ยอืแล้วก็ดูมองดูเขาพอดูดูเสร็จจิตก็ว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่เรานี่อ้แล้วก็หายไปแล้วค่ะไม่ทราบว่าเป็นการเพ่งตัวรู้หรือเปล่าไม่ได้เพ่งนะไม่ได้ไปติดตัวรู้หรอกแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่จะมีความทุกข์มากแล้วค่ะแต่ทีนี้ว่าอันนั้นก็ก็รับรู้กันไปดูไปเรื่อยค่ะแต่นี้เมื่อกี้เนี่ย มเมื่อานั่งรถมาก็รู้สึกว่าหนักแต่พอไปนั่งทานอาหารเมื่อกี้นี่โยคะ ก, ก็มองดูภูเขาไปมองดูมันก็โลง่งใชโล่งก็ดูจิตตัวเองบอเอ๊จิตที่มันเป็นส่วนหนึ่งอยู่ข้างหน้าสว่างใสเบาอืแล้วก็ดูมันก็มีไม่ไม่ใช่นั่นมีสภาวะให้เห็นอยู่ว่ามีการไหลไหลเวียนๆในความสว่างนั้นน่ะ แต่ก็มองย้อนไปข้างหลังอีกหน่อยก็เห็นเป็นเป็นสีสีเข้มกับเดิมแต่ว่าก็นั่นก็บอกว่าอ๋อนั่นเป็นรูปอันนี้เป็นนามแต่นี่ไม่ทราบว่าที่เห็นนี่ถูกหรือผิดเจ้าค่ะเห็นถูกนะแต่เห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างมันนะเจ้าค่ะสําคัญก็คือกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันจิตใจไปทํางานอะไรคอยรู้ทันนะเจ้าค่ะฝึกเอาตรงนี้และโยมยังติดสมถะอยู่หรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ติดอะ นานดีเดียวแปดหนึ่งขอบพระคุณอยู่ข้างหลังแปดหนึ่งกลับนมัสการหลวงพ่อครับอันนี้ส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกครับเคยฟังซีดีหลวงพ่อมาสักระยะหนึ่งแล้วครับก็คือที่ผ่านมาจะรู้ตัวว่า ชอบไปกดให้มันนิ่งนะครับเราเวลาจิตเราเกิดอกุศลเราก็จะรู้สึกไม่ชอบเราก็จะไปกดหรือไปตึงให้มันนิ่งๆแล้วมันก็จะเกิดอาการทางกายขึ้นมาขึออ้หัวมันจะหนักๆจะแบบตึงๆอยู่ตลอดเวลาครับก็อยากให้หลวงพ่อช่ะ<ด>นะครเราเริ่มรู้ทันแล้วน ะ, นะต่อไปนี้เราก็ไม่บังคับตัวเองให้นิ่งแต่เราคอยดูความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูได้ไหม เห็นครับแต่ว่าเราเราจะรู้สึกไม่ชอบเราจะน่ชอบแค้มันพอรู้แล้วไม่เป็นกลางนะให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางครับอันแรกเลยรู้สภาวะที่เกิดขึ้นอันที่สองเมื่อมีสภาวะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันของคุณอันนี้ก็จิตยินร้ายไม่ชอบครับให้รู้ลงไปอีกครับอยากจะขอการบ้านหลวงพ่อนี่ไงแค่นี้ก็เยอะแล้วนะทําเท่านี้เป็นพระอรหันต์ได้เลย ครับเวอร์ห้าห้าครับขอโอกาสรายงานการปฏิบัติสี่เดือนที่ผ่านมานะคะทั้งผลดีและผลเสียค่ะคือผลดีก็คือสี่เดือนนี้หนูเห็นแบบส่วนใหญ่จะไปดูอาการของจิตแต่ว่าสติตัวจริงหนูไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าจะเห็นเหมือนกับการอาการของจิตมากกว่าะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าความ ความสุขกับความทุกข์ไม่ว่าจะกีเดทเลยก็ตามอยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอของเราก็ไม่ได้ะะอะค่ะแล้วก็หนูทํารูปแบบบ้างนะคะแต่ว่าคือมันไม่ต่อเนื่องอะคะ่ะแต่ว่าตอนทำเนี่ยนั่งไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยบางทีหนูก็เห็นบางทีก็เห็นจิตรวมแล้วก็ฟุ้งซ่านนะคะ<อ>แล้วก็เห็นการพูดในใจตอนนั่งสมาธินะคะ<อ>แล้วก็ตอนเดินจงกรมเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งอะคะ่ะหนูหนูเดินอยู่เนี่ยหนูรู้สึก ตอนแรกนี่ก็คือจิตมันก็รวมนะคะสักขะก็แยกแล้วเห็นบางสิ่งบางอย่างคือรู้สึกว่ามีกายนะคะแต่ว่ากายเนี่ยมันไม่ใช่เราเป็นเจ้าของอหนูตกใจหนูเลยรีบบีบแล้วตีมันอย่างแรงๆะคะ่ะ เ, เพราะ<ก>หนูหนูกลัวว่ามันจะหายไปอะคะ่ะไม่หายห น, หนูก็กลัวแล้วก็ตีแล้วก็เห็นความกลัวแล้วก็ เ, เพื่อนก็ทักว่าเออแบบทําไมไม่ทิ้งมันไปคือแบบจะได้สบายอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็แบบว่าดูไปแต่เพื่อนมันก็พูดเอาแต่ได้นะ มันสั่งได้ที่ไหนอะแล้วแล้วข้อเสียคือหนูเห็นชัดมากคือหนูเนี่ยขาดวินัยแล้วก็ความเพียรค่ะูกต้องหนูขออนุญาตพูดความจริงเพราะว่าหนูเห็นตัวนี้จริงๆอะหลวงพ่อค่ะแล้วมีข้อผิดพลาดที่หนูควรแก้ไขอะไรไหมเจ้าคะนั่นแหละดีมากเลยนะที่รู้จุดอ่อนของตัวเองได้ค่ะนักปฏิบัติเนี่ยพระเจ้าถึงบอกว่าเตือนตนด้วยตนเองเรามีความแยบคายในการสังเกต เราถึงรู้ว่าเรามีจุดอ่อนตรงนี้เราก็แก้ใช่หนูหนูหนูมีวิธีแก้ปัญหานี้นะคะคือหนูมองหนูช่วงนี้หนูมองจิตหนูเข้าไปดูหนูก็ไม่รู้หนูเห็นอะไรเนี่หนูเข้าไปดูอยู่หนูก็ไม่เห็นถ้าจงใจดูมันจะไม่มีอะไรให้ดูค่ะหนูเห็นแบบนี้บ่อยอะค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็เลยทําวิธีอย่างถ้าหนูสบัดมือหนูเห็นไหวอย่างเงี้ยค่ะหนูดูไหวแต่สติตัวจริงก็ไม่เกิดมันหนูก็รู้สึกบางทีทรมาร์ตเหมือนกันนะคะแบบมันไม่ค่อยเห็นก็แค่ทําเป็นเครื่องอยู่ ขยับอย่างนี้กับการเดินจงกรมก็เหมือนกันนะทำเป็นเครื่องอยู่นะไม่ใช่ทำโดยคาดหวังว่าจะรู้จะเห็นอะไรค่ะขยับเล่นๆไปนะพอมีอะไรผุดขึ้นมาก็ค่อยรู้เอาไม่ใช่ขยับไปแล้วรอดูถ้ารอดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเพราะมันเป็นการไปดักเอาไว้ก่อนค่แล้วหนูถามข้อสุดท้ายคือสติตัวจริงหนูเกิดหรือ ย, ยังอะคะเกิดเกิดมาช่วงหนึ่งแล้วเกิดตอนนี้หมดแรงแล้ว มาาาปทํตรูแบบหมายถึงหนูตื่นแล้วอะคะหลวงพ่อตื่นสิหมายถึงใจหนูตื่นนะคะเอแต่มันก็ตื่นเป็นคลาล์คลาวนะออย่างตอนเนี้ยมันไม่มีแรงไปทําในรูปแบบนะหลวงพ่อแต่ก่อนก็เดินจงกรมนะเดินแล้วเมื่อยเลยในสุดเราเดินด้วยนิ้วนีแค่แค่ขยับนะแค่นี้ยังเมื่อยเลยขยับ เป็นแค่ให้รู้สึกตัวนะั่นเองรู้สึกตัวไปเราก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างการเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหว อ, อ, อย่างยี้ตื่นนะคะหลวงพ่ อ, ข อ, ขอยังขึ้นฝ้าขณะนี้ไม่ตื่นแล้วเ ข, ขาท้วงเาท้วงเขณะนี้ตื่นเต้นดีอกดีใจข อ, ขอนานเบอร์หกเนมัสการค่ะคืคอสี่เดือนที่ผ่านมาก็ขอรายงานหนูจะแบบเห็นว่าตัวเองหลงโลกอะค่ะแบบติดสุขจะ คือจะเห็นตลอดว่าแบบถ้าคิดอะไรที่แบบมันมีความสุขแล้วก็จะหลงเข้าไปอยู่นะแล้วก็ไม่อยากจะออกมาให้รู้ทันอย่างนั้นแหละทําไม่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดมันเป็นฝันลมๆแง้ๆไม่ใช่ของจริงนะมาอยู่กับความจริงเนี่ยความจริงถึงจะไม่ดีนะมารู้กายรู้ใจถึงเป็นความจริงแล้วมันเป็นทุกขนะ์เนี่ยแต่วันหนึ่งเราพ้นทุกข์ไปอยู่ในโลกของความฝันไม่ได้อะไรขึ้นมานะพยายามมาอยู่กับโลกนี้ เราก็จะขาดระเบียบวินัยอะค่ะแบบ mm hmm. เหมือนตั้งแบบว่าตั้งสัจจะไว้ว่าจะแบบสวดมนต์อย่างเงี้ยก่อนนอนก็ก็จะทําไม่ได้ต้องพยายามทําให้ได้ถ้าเราตั้งสัจจะแล้วเราทําไม่ได้นะใจจะยิ่งอ่อนแอลงไปเรื่อยๆยิ่งถ้าเราอ่อนแอบ่อยๆนะชาติหน้ายิ่งอ่อนแอกว่านี้อีกการภาวนาจะยิ่งยากขึ้นเรื่อยเรยเพราะั้นเราต้องเข้มแข็งกว่านี้มันเหมือนเราตกน้ําอยู่กลางทะเลนะจะว่ายเข้าฝั่งเนะี่ยคลื่นมันจะตีเราออกจากฝั่ง ถ้าเราขี้เกียจนั้นก็ถูกพัดออกไปไกลไว่ายน้ํำยากขึ้นไปอีกต้องอดทนนะลุยเข้าฝั่งให้ได้พักเพียรเข้าร้อยห้าร้อยห้าต้องสู้นะไอ้หนูร้อยห้าการรับราชการครับหลวงพ่อขอส่งรายการบ้านในรอบสามเดือนนะครับตอนแรกเนี่คือตอนเดือนแรกนี่รู้สึกว่ามีสติดีครับท่านแต่พอเดือนที่สองมันล้มไปเลยอืแล้วก็ลู้ไม่ทนันพฏิมีญาติธรรมบอกว่า รจริงเรากำลังติดดีอยู่ hmm. พอมันไม่ดีเราก็ดินดิน hmm. ดินคราวนี้เนี่ยหลังจากเมื่อสอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอเริ่มกลับมาปฏิบัติเนี่ยมันเริ่มเพ่งครับทา่าน hmm. เพง่งเพง่งแล้วจนผมปล่อยปล่อยสุดเลยอ hmm. คือนอนแบบเหมือนกับนั่งดูมันไปเรื่อยๆด้วยแบบปล่อยมันก็เพง่ง hmm. แล้วคราวนี้เนี่ยมันก็โมหะมันเข้าอ <Yeah. S 2> จิตมันก็ลงพวางอื hmm. แล้วเหมือนสติมันเกิดขึ้นเองมันก็ปุ๊บขึ้นมาแล้วมันก็ลงเข้าไปอีกอแล้วมันก็ขึ้นมาวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยครับใช้ได้แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้กําลังฝึกรู้สึกตัวอยู่ครับท่านรู้สึกตัวนะที่ภาวนาช่วงเนี้ดีนะครับมันเหมือนจะรู้สึกกายมากกว่ารู้สึกจิตหรือเปล่าไม่จําเป็นไม่ต้องรู้สึกจิตรู้สึกอะไรก็ได้แต่ว่าทุกสิ่งที่เราไปรู้เข้าล้วนจะแสดงไตรลักษ์เท่าๆกันทั้งนั้นครับหลวงพ่อมีคำแนะนําอื่นไหมครับก็รู้สึกไปนะรู้สึกกายบ่อยๆ เขาคุณหมอ ก, รก็รู้กายแล้วละลู้กายไปครับแต่อย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งแตอนนีกมนไปเพ่งอยู่เบอร์สี่สิบห้าพอนาดีน ะ, ะเบอร์สี่สิบห้าคนนี้ชื่อสาวชื่อดีนะอายุแปดสิบก็ยังสาวแต่ปีใหม่ค่ะหกเดือนเถาก็สํารวจตัวเองอะค่ะที่หลวงพ่อเตือนอย่าบ่อยๆให้ดูหน้าที่อะค่ะเถาดูหน้าที่ทางโลกได้ดีขึ้นค่ะ แต่ว่านัที่ทางทํามจะรู้สึกว่าแถาไม่เต็มร้อยอะค่ะได้สกิปเปอร์เซ็นอะรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันดับไปแล้วที่คิดว่าจะบอกหลวงพ่ออะไรนะมันมดับไปที่คิดว่าจะบอกหลวงพ่อค่ะมันมันเหมือนไม่ไม่เอาจริงอะค่ะยังไม่เอาจริงคอยรู้สึกนะร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวนะรู้สึกมากๆเลยใจเราก็มีเรื่องมีแรงอยู่แล้วแต่ว่าใจมันไม่ยอมเดินปัญญา มันไปว่างๆโล่งๆสบายไปเฉยๆค <c oughs> แพยายามมาเคลื่อนไหวร่างกายแล้วเห็นเลยร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์นะนี่ทุกนู่นทุกนี้ไปเรื่อยๆ <c oughs> จิตใจก็เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยก็เห็นมีแต่ความทุกข์มันจะไม่เกียดคลานค่ะเราเดินทํารูปแบบได้ต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ได้ได้ช่วงนีง้ถ้าจ ะ, จะรู้ <ๆ S 1> สึกว่ากลัวแล้วก็ว้าเหวอะค่ะว่าเราไม่เอาจริงค่ะนะทําก็ไม่งั้นนานไปเราจะยิ่งว้าเหวเพราะเพื่อนรับรับตัวเราเขาภอวนาดีขึ้นนะ แล้วเราว้าวีแต่สาวดีขึ้นเยอะแล้วนะแต่ว่ามันไม่ยอมเดินปัญญามันไปว่างๆเบอร2ยี่สิบนมสการหลวงพ่อะคะ่ะคืออยากให้หลวงพ่อเมตตาชี้ดูสภาวะเนะะี่ยค่ะที่ทำอยู่ก็ใช้ได้แล้วนะใจมันตื่นขึ้นมาแล้วก็คอยดูไปดูออกไหมเออออกแล้วไม่ต้องให้ชี้แล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ลงปัจจุบัน รู้ด้วยความเป็นกลางถ้าใจไม่เป็นกลางยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันอย่างตอนนี้ไปกดไปแล้วไปกดพร้อมกับการหายใจเข้ า, น า, halfway, า ef, หนึ่งครั้งเห็นไหมนึกออกใช่ไหมได้ที่เลยปล่อยซะใช้ได <c oughs> <Gym> ้นะพาวนาเก่งอยู่ที่ไหนน่ะอยู่ไปอยู่ทางบ้านมูลนิธิบ้านอาลีเนี่ยค่ะเข้าทางกลุ่มบ้านอาลีนะคะดีใช้ได้ภาณนาเบอร์หกหก อยู่ข้างหลังข้างหลัง ก, ลา ก, การนมัสการหลวงพ่อนะครับเพิ่งเคยถามครั้งแรกนะครับก็ฟังซีดีหลวงพ่อนะฮะ ร, รู้สึกว่าเพิ่งเคยมาเหรอเพิ่งเพิ่งเคยถามครั้งแรก<อ>ครับที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วแล้วใช่มันก็ตื่นขึ้นมาลน ะ, ะจะข อ, อะจะข อ, อะวิหารธรรมที่เหมา ก, กับฉนิดนะครับแล้วก็ขอกันมางจากหลวงพ่ดู<อ>ไปแหละเราถึงจุดนี้นะบางทีเราก็รู้กายบางทีก็รู้จิตไป อะไรเด่นชัดกรู้วันนั้นแหละอย่างตอนเนี้กดเอาไว้แล้วทราบไหมทราบครับเดีย๋ยวไปกดมันรู้ไปตามธรรมชาติที่ฝึก อ, อยู่ดีนะแต่ต้องมีวินัยหน่อยนะขาดตัวนี้เนละะช่วยส่งมาข้างหน้าหนะ่อย่ยส่งมหมอส่งกันบ้านหนูก็สวดมนเช้าเย็นนะคะหลวงพ่ออย่าให้ใจมันนิ่งอย่าให้ใจมันซึมไปนะซึมไปนิดนึง ม, นมันปล่อยเกินไปหรือเปล่าคะใช่ แอนนคทีฟหน่อยแอคทีฟวันนี้นิดหน่อยคึกคักมา่อบางทีมันมันรู้สึกว่าแบบทำมากไปก็ผิดก็เลยลองไม่ทําดูทํามากไปก็ผิดนะไม่ทําเลยผิดมากกว่าต้องทําก่อนทีแรกทําแล้วก็รู้ว่าตึงไปแล้วมันจะลดลงมาแล้วพอดีนะคือความรู้สึกตัวมันไม่ค่อยชัดใช่ใช่ นันต้องกระดุกกระดิกรู้สึกที่กายนะคุณหมอเนี่ยสัมผัสนวดตัวเองไปเนี้ยรู้สึกตัวให้ชัดๆขึ้ น, น่อยความรู้สึกตัวมันอ่อนไปค่ะนะประสานส่งเันบ้านขอบคุณค่ะว่าไปจิตขนาดนี้เป็นยังไงมันอยู่ในสภาวะอะไรก็ไม่ทราบกับหลวงพ่อรู้ไหมว่าติดพบอันหนึ่งอยู่มันแบบๆแบบ น, นวลๆอันนี้ที่ เ, เห็นอยู่นะครับ เห็นไหมแวแ ว, แ ว, วนๆวนวลๆอย่างเดียวไม่ใช่หรอกหนักๆด้วยมัวๆด้วยมัวๆเห็นครับเ น, นี่ยมันมีโมหะนะจิตมันมีโมหะอยู่โมหะเนี่ยพอมันละเอียดนะั้นมันจะสว่างเป็นเรื่องแปลกนะเพราะเราฝึกหยับหยับตอนเห็นโมหะมันจะมืดๆโมหะเนี่ยพอภาวนาไปเรื่อยๆแล้วโมหะจะใสดูยากนึกว่าดีคือคือรู้ว่ามันติดสภาวะอยู่แต่ว่ามันไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร เออไม่จําเป็นต้องรู้ว่าคืออะไรรู้ว่าติดอยู่ก็พอลนะใจเรามันนิ่งเกินไปไปเกาะมันนิ่งๆนะั้นลืมเรื่องปฏิบัติก่อนลืมเรื่องปฏิบัตินะแล้วออกมากระทบอารมณ์อย่างเงี้ยให้ใจมันเคลื่อนเริ่ ม, เ ร, มเริ่มหลุดออกมาแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับเออแค่นี้ก็เริ่มหลุดละเห็นไหมพอเริ่มหลุดปุ๊บทะเลน้นปั๊บเลยรู้สึกไหม <laughs> เออถ้าวันไหนไม่ทะเลน้นจําไว้เลยนะติดละ อ, อ้าวเบอร์เบอร์อรอไอเดีย หลวงพ่อข้อขอถามหน่อยอถ้าเกิดมันจะเดินปรรยยนัญญานี้มันต้องเดินเองใช่ไหมคะใช่แต่เ ร, เราอย่าไปน้อมใจให้นิ่งไว้และทำ ต, ตามรูปแบบไปถ้ามันจะเดินมันเดินเองใช่ไหมใช่คอยรู้สึกใจคยคอรู้สึกใจนะอย่าไปให้มันโมโล่งๆว่างๆไปเห็นไหมประสานตัวจริงต้องทนะเลยนั่นจำไว้นะถ้าไม่วันไหนไม่ทะเลยติดแล้วล่ะต่อไปเป็นหมายเลข950ก็หมดเวลาล้วนะอาเชิญเชิญกลับบ้าน